ทำกันเริ่หลวงพ่อเป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังวางอย่างก็สอนให้รู้วางอย่างก็สอนให้ทาการสอนให้รู้ก็จําเอาบ้างประสบการณ์มาบ้างการสอนให้ทำเนี่ยเป็นประสบการณ์ล้วนๆจําใครมาไม่ได้ เมื่เอเราเดินทางถ้ามาอย่างนี้มันไม่คงแต่ไปอย่างโน้นมันโคตรคงเกิดยังพยายามหาทางลัดๆจะหน่อยโบราณท่านว่าเที่ยวข้างเที่ยวทางเวิง้งเหิงไหลายมันจะคำ้ำมั่วใจพวบบกว่ามัจฉาคําทางล่าเ mm hmm. ที่ยวทางมันคง ง่ายตรงเรื่องพยายามที่จะบอกกันเรื่องมาดูแลตัวเราเนี่แหละในพระบาลีพระพุทธเจ้าตัดสอนภิกษุว่าจงเตือนตนด้วยตนเองจงแก้ไขตนเองด้วยตนเองจงมีสติจะอยู่เป็นสุขหน้าภิกษุทั้งหลาย การเตือนตนด้วยตนเองเขาสตินี่แหละพอบัญชิดก็รู้พอรู้ก็รู้ว่าเตือนเราแล้วพอหลงก็รู้จึกตัวเเตือนเราอีกแล้วพอมันชุกเราก็รู้จึกตัวเอาเตือนเราอีกแล้วพอมันทุกข์เราก็รู้จึกตัวเตือนเราอีกแล้วมีสติถือว่าเตือนเรา จงแก้ไขตัวแดงด้วยตัวแดงอ้าวก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนแล้วเป็นมันทุกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกเปลี่ยนแล้วจงแก้ไขตัวแดงด้วยตัวแดงจงมีสติทุกเมื่อนัถ้ารู้ทุกครั้งที่อาการต่างๆเกิดกับกายกับใจ อยู่เป็นสุขนะพิกษุทั้งหลายกายก็หลอกเราไม่ได้ใจก็หลอกเราไม่ได้นี่เว็นวิธีที่เราศึกษาได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากตัวเราความรู้ได้ปัญญาเกิดจากตัวเรานี่มีมากความหลงก็เป็นแหล่งปัญญาด้วยอย่าชิดว่ามันไ ม, ม่ประโยชน์นะร้องน้องมีประโยชน์ทําให้มีสติ ข, ขึ้นมา เป็นปัญญาเคยกันแล้วรู้จักตัวความโกรธความทุกข์เหมือนนะ่ะเป็นปัญญามันมา้ายแต่มันไปดีมาดีแต่มันไปไล่ก็มีบางครั้งมันรู้ น, น้นรู้นี้ติดความรู้อยู่ติดความจกอยู่ไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความจบพวมาลู้พอมาอมาจบ ก, ก็เอาอย่างละ มันก็ชาเสียเวลามันไม่รัดถ้ามันจูกก็รู้มันรู้ก็รู้เนี่ยอันนี้รัดแล้วเหมือนกับคนกรุงเทพอ่าถ้าไปรับจ้างขับรถเขาจะถามว่ารู้จักทางรัดในกรุงเทพไหมถ้าคนไหนรู้จักทางรัดเขาก็มกักจะเอาเป็นคนขับรถให้ถ้าไม่รู้จักทางรัดเขาก็ วาจะชเชเลาเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่ก็มอนกันวิธีลั ด, ลดคือเจริญสติเนี่ยยงสอนให้สอนให้รู้ด้วยสอนให้รู้มันหลงรู้สึกวา่าบรรหลงสอนให้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ทาแล้วต้องรู้สอนต้องรู้ต้องทำ ทั้งรู้ทัธงทมไม่ใช่สอนให้จำสอนให้รู้สอนให้ทาถ้าเป็นความรู้ก็เป็นการพบเห็นถ้าเป็นการจำก็เป็นการคิดเห็นการคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่ยิงเสมอไปถ้าสอนให้ทาสอนให้พบเห็นเนี่ยมันเป็นของจริงของจริงอย่างนี้ เราไม่ต้องไปถามใครมีแต่คตํา ต, ตอบเราเองนั่นตอบเราเองเวลาเราปฏิบัติจะประสบการณ์แต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องของจริงความไม่จริงก็จริงแบบความมันไม่จริงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบมันไม่จริงแบบความเป็นทุกข์แต่ทุกข์มันไม่จริงแต่เรเห็นความทุกข์จริง ความไม่เที่ยงก็เห็นมันจริงๆแม่บันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของมันจริงๆนี่แต่ว่าพบเห็นรู้เห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นการรู้เห็นเป็นการพบเห็นเขา้าจะเอกันจริงๆนะนะบางทีก็พบกันบ่อยเห็นกันบ่อยบางทีจะไม่ต้องพบกันก็ได้พอ เพราะเพราะว่าจริงนั่นก็เห็นแล้วเห็นใจใจของเราอากุศนกระทำเห็นแล้วมีใครพูดก็เห็นแล้วมีใครบอกก็เห็นแล้วมีเครื่องรับแล้วเหมือนกับเรามีเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์เวลาเขาเปิดเขาพูดเราก็รู้แล้วเพราะมันมีอยู่กับเราถ้าเราไม่มีมันก็ ไม่มีเครื่องรับไม่รูเ้เรืะนะ่องรู้ราวเลยเพราะนั้นหลวงพ่อเวลานี้ให้ทุกคนไม่เครื่องรับเวลาหลวงพ่อพูดไปเราก็เห็นของเราสิ่งที่หลวงพ่อพูดมันอยู่กับเรามันอยู่กับเราเอ ง, มอเเองไม่ใช่อยู่กับหลวงพ่อความไม่เที่ยงอยู่ที่ไหนอยู่ในหนังสือหรือมันไม่ใช่อยู่กับอยู่ที่ไหนอยู่กับตัวเรา ว่าเป็นทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ในบริษัทหรืออาิษฐานสี่หรืองาหมไม่ใช่มันอยู่กับตัวเราเหตุท่เกิดทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่กับเราวิธีดับทุกข์ไปให้ใครมาช่วยไม่มีใครแล้วก็ดูกับเราบางอยดับทุกข์ได้แล้วต้องไปถามใครเรา หายหลงแล้วเราหายกฎแล้วไปทางใครเอาไปประกาศจากใครไม่มีแต่เพื่อนไปเรารู้แล้วแต่เนี้ยเรียกว่าอดียสัต์ของจริงก็นอย่างนี้นะดับทุกได้เป็นครั้งเป็นคราวเล็กๆน้อยไปไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรที่มันไม่ใช่ชนะไม่ได้ทำาม่ได้สักอย่างเลยในโลกเนี้ยไม่มีเด็ดขาดนะ ไม่มีเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา เ, เป็นสิ่งที่ทําได้มีทางมีช่องทางรู้อย่างเนี้เรียอว่าบรรลุธรรมก็ได้นะ่งรู้ธรรมก็ได้ะนะก็ในสิ่งที่ทําให้ขวงกันก็มีอยู่ในนี้สิ่งที่ทําให้เกิดทางกันมาก็มีอยู่กับเราเนี่ไม่มีใครขวงกันเราเท่ากับตัวเราขวงกันตัวเอง ไม่มีใครที่ทำให้เราเจ๊เวลาเท่ากับตัวเราทำกับเราเองเจ๊เวลากับอะไรหลายอย่างวันนี้หลวงพ่อก็จะต้องทที่ถ้ามาไปหวานมีเชื่อยมมาจากบรรนบือมหาส า, ารคามว่าเลยพูดธรรมะสอนธรรมะไม่มีใคร ทำให้เราสุกมนมนไปใครทำให้เราทุกันไม่เปนทำให้เราโลภเราโกรธเราหลงเร า, เราจะแค่อะไรไปห้ามเขามันไม่ใช่ต้องห้ามเราแค่เราไม่ใช่ไปแค่เขาคุณอย่าไปวหา้นั่นนะนะคุณอย่าไปวหานี่นะคุณอย่าทำนั่นคุณอย่าทำ น, นี่ฝันดีไปามไม่ได้เวลาบังเกิดขึ้นที่มีเหตุปัจจัยบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองเกิดขึ้นเป็นผลรทบ ต, ต่อตัวเราเราต้องแค่เราเอง คนอื่นแก้ไม่ได้หรอกแก้เราเราจะเป็นปัญหาพวนั้นแล้วก็หยุดซนะอย่าไปคิดเรื่องนั้นอย่าไปย้ำคิดสองรอบสามรอบเรื่องเก่าที่มันเป็นพิษเป็นไปเก้เราเป็นความทุกข์ก็ดีเป็นความรักก็ดีเป็นความชังก็ดีเอามาคิดแล้วเอามาคิดอีกถ้าเป็นอย่างนั้นเรือปุถุชนปุถุชนถ้าเรื่องเก่ามันเอามาเป็น ทุกเป็นสุขกลับมาลูกขึ้นมาข้างเดียวไปเล ย, เ, ลยเรียกว่าพระอานาคามีถ้าเรื่องเก่าที่มันเกิดทุกข์เกิดโทษเอามาคิดเจ็ดข้างเจ็ดหนเป็นพระสกิทาคารีถ้าเรื่องเก่ามาคิดอีกเป็นร้อยข้างเป็นหนเป็นพระโสดาบันแต่ว่าดับได้อยู่แต่ว่าช้า ถ้าเรื่องใดเกิดขึ้นหลุดพ้นหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เขาวัดกันทังนี้ก็ไม่ได้วัดกันรูปร่างลักษณะเขาวัดกันด้วยเอาชนะกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องการจัดทุกข์พระธรเป็นเครื่องการจัดทุกข์พระสงฆ์เป็นเครื่องการจัดทุกข์เราสวดเมื่อกี้นี่พุถโทธทุกขสกขาตาจะวิคาตาจะหิสัตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องการจัดทุกข์ เนี่ยธรรมูทุกขจกขาตาจาวิคาตาจายทัตเจเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกสังโฆทุกขจกขาตาจาวิขาตาจายทัตเจเมพระสงค์เป็นเครื่องกำจัดทุกเนี่ยของจริงมีแล้วยืนหยัดใครข่าไว้ใครตัดไว้พระพุทธเจ้าตัดไปเราสวดมนมต์ธรรมวัฒเช่าธรรมเณรมาจากคุตตะเนี่กายธรรมบทคุตตะคตาคาถา เป็นคําสอนเป็นคําตัดของพระเจ้าพระองค์เดียวเราไม่เอาคําตัดของใครมามาสวดมาสาธยายทำ ว, ว, วัดเช้าทำวัดเย็นมาจากคุตตะกนีกายธรรมบทคุตตกนีกายธรรมาปทกาถ า, าถ้าเราสวดวัดเชา้าสวดวัดเย็นได้ถ้าจะไปแต่งกระทูกหาภาะิตมาประกอบเขาให้หาภาะิตมาประกอบก็ต้องบอกที่ พาชิต ท, ที่มานั่นให้เขาทราบมาจากไหนเรื่องนี่มาจากไหนตอบได้เลยว่าพุทธกายนิกายหรือธรรมะวดคุตธกานิกายธรรมะปทกาถาเป็นคำตัดของพทะเจ้าอ้างไปเลยเด็ดขาดไปเลยไม่เอามาจาจไหนเนี่ยเราสสวนเนี่ยอันนี้ก็ประดับชีวิตจิตใจของเราอุ่นอกอุ่นใจนะ แรงวันดาลค่าได้ไหมพุทธโธ ท, ทุกขจักขาใจจะทํ า, าทให้ทุกหมดไปไหมเธอสมชื่อว่าเราเป็นพุทธะไหมควมทุกหมดไปไหมสมชื่อว่าเรามีพระธรรมไหมของสอนเต็มตู้ควมทุกหมดไปไหมถือว่ามีพระสงฆ์เต็มบ้านเต็มเมืองไหมมีใครบอกมีใครปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจาทุกปฏิบัติสมควรใครเป็นผู้ปฏิบัติก็เราในเอง พระสงฆ์ก็ไม่ได้ช่วยเลยหรอกมีแต่เป็นเพื่อนกันบอกกันธรรมราอยู่ร่วมกันไปนอกจากบอกาการสอนอยู่ให้ให้เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นกัญยาณมิตรพึ่งพาะไฉกันนี่ฮะพระสงฆ์รูแ ล, ลกันแลกกันแบ่งปันกันเสมอกันสามัญชีะศีลเสมอกันญาโยมก็เหมือนกันมาอยู่มีสิทธิอันเดียวกัน ยมก็ทำอย่างเดียวกันพระสงฆ์แม่ชีก็ทํอย่างเดียวกันไม่มีใครทำอะไรอย่างตัวรู้สึกตัวอันเดียวกันตัวหลงก็เดียวกันอีกละ่ะตัวโกดก็เดียวกันเดีย่ยตัวถุกตัวทุกคนเดียวกันอีกไม่มีใครโกดหรอกยิ้มแย้มแจ่มใสหรอกมีแต่หน้าบูดตาบึงนะถ้าไม่เป็นอะไรก็สบายปกติดีด น, นี่เราจิตสารแล้วนี่กัน วิธีที่เสื่อเรื่องนี้ไม่มีสูตรใดนอกจากปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือการเจริญสติการเจริญสติเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำราสติไปรู้มันมีอันที่จะเห็นอยู่ตลอดเวลาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมีสติเท่านั้นอย่าเอาเหตุเอาผลไปแยกไปแยกไป ย, ไปย่อยทำไมยังคิดทำยังไงมีเจรไม่คิดไม่ใช่ มันซ่อนคิดไปแล้วความคิดซ่อนความคิดเข้าไปความคิดที่แม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นมาเองเราก็รู้เอารู้เอาโอ้ชื่นใจเห็นความหลงเห็นความทุกตัวเองนีโอ้ยมั่นใจกลับมาอยู่ในอริยบทของมือเจ๋อเลยเคลืนมาได้หามันฉุกเคลืนมาได้พิกมอมันทุกขคลื่นมาได้พิก ม, มันหลงเคลืนมาได้พลิกมือ เมือกับเด็ก่งมือเนี่ยมันจะยากอะไรความทุกข์ความกดความโลภความหลงถ้ามารู้สึกตัวมาไรขี่สร้างขี่บ้ามารกมันไม่มีเขี้ยวมีดูเลือดมันยุงหรอกไม่น่ากลัวมันกับไม่กลัวเท่าอยู่บางคนยอมทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ชอ ไ, ไ, ไปด่ากันไปฆ่าไปตีกันไงวันนี้หลวงพ่อ น, นังรถมาจากเชงก็อนักเดียนตีกัน นักเรียนมัธยมตีกันอยู่กลางทางเลิกโรงเรียนแล้วผู้วจารณ์ขับรถตี้วมามาห้ามมาบอกโอ้ปานนั่นนอไม่ทันมันแล้วเสียเปรียบความปวดแล้วเคยไหมพวกเราเสียเปียบความกวดมีไหมเสียเปรียบความทุกข์มีไหม ม, ม, ม, มีเหมือนกันหลวงพ่อก็มีเอมีจริงๆแต่ไปไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ไ อีซปีไปนี่ไ ม, ไม่ไม่เสียเปลียบความโกรธเลยนะเนารับรองอรับรองอันที่จะเกิดความแตกแยกความโกรธสาหรับตัวเราไม่มีแล้วถ้าพวกเราเอายุดิจุดนี้ได้นีเป็นกรรนันใลียนธรรมเป็นกันในีานธรรมเป็นเสธรรมมิตเพื่อนกันเป็นญาติธรรมอย่างยิ่งอันญาติสายเลือดสายโลหติตบางทีทะเลาะ ก, กันได้แต่ว่าถ้า มาลู้ตัวนี้แล้วญาติอย่างยิ่งไม่วันที่เป็นอื่นไปไล้เนี่ยมาเอาตัวนี้พวกเรามาศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วถึงศาสนาพระศีอริยเมตตาแล้วแผ่นดินบรราบเป็นหน้ากองใสไม่มีสะดุดสะดิตอยู่ที่ไหนก็นเราเนี่ยการพูดยังพูดรัดรัดมาอย่างนี้ไม่ได้พูดแบบเดินญ า, าติยมทั้งร้าย ผู้ดีมีรัธาปัสาทะความเลื่นใสปากันมาปฏิบัติต้งเขาหอมเขามาถือศีลมาฟังธรรมได้บุญกุศลสร้างประโยชน์ไม่ทันเลยรู้เรื่องไหมไม่ไม่ทันแหละถ้าจะไปสอนต่างชาติต่างประเทศเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เรื่องท่านพูดอย่างนีเขาไม่รู้เรื่องเขาหันหลังให้เลยถ้าเราบอกว่าเอามืองบางวันเขา ตะแคงมื่อขึ้นรูดจิตตัวเอาแว่อะแว่อะแว่เอาแว่ไปว่ารูดสัวเอาแว่เอเอมันชอบอยู่นะเขาก็ชอบแบบนี้ให้สอนแบบหลวงพ่อเทียนนะ่ถลังมันบอกหลวงพอ่อจะสอนแบบอื่นนะให้สอนแบบหลวงพ่อเทียนอ่านะใครก็ปฏิบัติได้ถ้าสอนแบบอื่นเอา้าพวหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งพวกหนึ่งก็พูดอย่างนึ่ง ให้เชื่ออาตมาให้เชื่อขออาตมาดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับบ้านการลังมาชนการลังมาชนาเป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาเพื่ออาจารย์สนใจเวรตบุตรผ่านไปก็สอนแบบอาจารย์สนใจพออาจารย์กูกุกกะปะกจายนะอ่านไปก็สอนแบบอาจารย์กูกุกกะปะยานะ พออาจารย์อะไรหกครูทั้งหกผ่านไปก็สอนแบบนั้นพอพระพุทธเจ้าผ่านไปก็สอนอีกแบบหนึ่งพวกชาวบ้านการรามชนร้องเลยอุย้อยเกยข้าพเจ้าเชื่อใครอาจารย์อาจารย์ น, นั่นก็สอนนั้นอาจารย์นี่ก็สอนอย่างนี้พระสำนาโกโครมัมโมสอนอย่างนี้ ใจข้าพระเจ้าทําตามใครดีพระพุทธเจ้าก็บอกอย่าเชื่อเพราะคนนี้พูดกับผูกกับจริตนิจใจของเราอย่าเชื่อเพราะคนคนนี้เป็นคนพูดควรเชื่อห น, น้าเคารพหน้าเลื่องใส่อย่าเชื่อเพราะคําพูดมีในไรตำลับตาําลาอะไรจากสิบข้อนะ เราเชื่อใครเราจะเชื่อใครเชื่อตัวเราเวลาเอามือมาวางไว้บนนี้ใครเป็นคนรู้อาจารย์กุกุจะแก่กนะหรืออาจารย์สนใจยเวแต่บุตรหรืออาจารย์อะไรนะ่ะบ้างหรือไม่ใช่เราเองรู้เองรู้ลูกมันหลงก็่ลูกมัน ล, กน ล, กนลูกก็ลก่ลูกกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวมือลู่อยู่นี่ ไม่ถามใครไหมมือฉันอยู่ตรงไหนอาจารย์หลวงพ่อเทียนบอกเอามือวางไว้เขาหลวงพ่อเทียนว่ามืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงเขา่าเอารู้นะรู้เอามือไปขัดไปข้างหลังหน่อทีมือของคนอยู่ที่ไหนมืออยู่ข้างหลังรู้นะรู้หลวงพ่อเมือของคนอยู่เขา่าเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วบันไดมาอยู่ข้างหลังแล้วอ่ะโธ่เนีย่ย นี่แหละ ว, ว่าอย่าเชื่อเพราะครูของเราอย่าเชื่อเพราะตำรับตำราให้เชื่อตัวเองเชื่อกันก็นกนทำยายใา้มาเน้นเช่ามาลัดเข้ามาอย่างนี้พวกเราวิธีใดที่ลัดที่สุดก็อยู่กันอย่างนี้แหละนะอยู่กันแบบนี้แหละแบบปฏิบัติธรรมมีสติทุกคนหลงบ้างก็ช่างมันอย่าไป เสียเวลาเพราะความหลงความหลงมันดี้รู้วันหลงลอยข้างก็รู้มันลอยข้างแต่ว่าอย่าไปเพลินไปกับมันมันทุกข์ลอยข้างก็รู้มันลอยข้างมันสงบก็รู้มันมันไม่สงบก็รู้มันให้มีความรู้จึกตัวมีความรู้จึกตัวอย่าเดินช้าอย่าไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ อันเรื่องที่เราผ่านมามันมักเกิดติดเราก็เอาไว้ก่อนติดเรื่องอันปริโพธดในกงนังวลในขอบในกลัวในลูกในหลานในความรักในความช่างไม่มีปยชน์อกเรานั่งอยู่นี่แล้วมามีสตินี่ปิปปจิจดกว่าโบราณท่านว่ามันเสียเวลาเสียเวลารอให้จนเท่าจนเจรินความทุขความทุกขเกิดขึ้น จึงไปแก้มันแก้ไม่ได้บางอย่างมันทําให้เป็นมันทําให้เป็นติดสุขบ้างติดทุกข์ว่างบางก็เราหอบมาเอามาเป็นสุขมาเป็นทุกข์มีหลายชีวิตฮที่พวกเห็นพวกเราก็พอใจที่จะได้ช่วยเขาโบรณท่านยึงว่ากาเยนสร้างอย่างหนึ่งอุดท่าหอน กาหลงร้อนตัวเองแอสบเลือยหรือหล่นกาเห็นสั่งร้อยมาบ่เคยจวกนกจิกแสวแล้วทักท้วงกาเยเยพออยากฟังกาหลงดินจินไปพอต้วนเหตุพวมโรโม่โทสันบาปกรรมนำตอ่องกาหลงสั่งตัวหลวงบ่ต่องหวง่วงส่งเสพกินเน้่ยหน่อยทีตายจ่อยกลางทะเลเวละ เมื่อเท่าโมเจแล้วไม่ใครฝั่งหน้าไครหัวจึงคิดได้มันทําไม่ได้เลยทําให้เริ่มตื่นแต่เด็กตื่นแต่หนุ่มรู้จักไมหมกายจินสร้างนะสร้างก็คือรูปรถจินเสียงที่คนทั้งหลายติดจูนทรัพย์เจนเงินทองอะไรไรก็ไม่อดไม่ยากอุปโภยานให้หรอกเงินกู้พืชพยากรณ์มีลกูกมีเมียมีผัวมีเพืหินมีมิตรมากวาย งานเขาเกิดภาวาวุ่นวายทุกวันเนี่ยต่างก็มีพวกในหมู่ไม่กลัวอะไรคนนั่นช่วยคนนี้ช่วยให้ช่วยกันไปให้ใครไปช่วยเราต้องหยุดตัวเองต้องไม่ทำทั่วไม่ทำให้เกิดการวุ่นวายให้อภัยกันอย่าหลงอะไรเขาช่วยเราไม่ได้ช่วยเราได้คือเนี่ยที่ อัตตาปกติอัตนาโจทวัตนาจงเตือนตนด้วยตนเดงเนี่ยอัตนาโสตมันตังจงแก้ไขตนด้วยตนเดงอัตนาเสดวัตนาจงสติบางโสตปันตังจงมีสติเนี่ยพึ่งได้น่ะทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกชาติทุกภพไม่ใช่เดี๋ยวนี้พึ่งได้นายย่ำ ที่คับขันอะไรก็ได้แม้แต่การเกิดเจ็บตายก็พึ่งอันนี้ไม่พึ่งลูกพึ่งหลานทับย์เจ น, นทองพึ่งไมไร้่ะพึ่งได้แต่ว่าเอาอย่างเงี้แล้วมันไม่ใช่ต้องพึ่งตัวนี้นั่นเกือไปเหมือนหลวงพ่อเขียนหนังสือออกมาให้คนดูหลวงพ่อยืนคำกระจกอยู่น้ำตาร่วงเป็นแถวหลวงพ่อยืนในห้องไอจีอยูะ เขียนจังสือไปพูดไม่ได้อมท่อขอให้ออมท่อหายใจสอดเข้าไปทั้งปอดเขียนนังสือแบอบกว่าญาติโยมไม่ต้องห่วงพ่อหลวงพ่อมีชีวิตส่วนตัวมากที่จุดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงประสบการณ์กับชีวิตการปฏิบัติธรรมในเพียงก่อนแล้วแน่นยิ่งดี ไม่เคยมีชีวิตส่วนตัวเท่ากับการเจ็บป่วยแต่บางคนเวลาเจ็บป่วยเนี่ยโอ้ยหลายเรื่องหลายราวหา่วงนนท์นองนี่จะตายหรือจะหายไหมน้องคิดอะไรเรื่องนนท์เร่องนี่เกิดทาลูกค้าหลานเรียกทาลูกค้าหลานอันนี้ไม่อยากให้ใครมาลองผมนะใครก็เราไม่ความพร้อมที่สุดแล้วไม่มีจริงๆริงความทุกข์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันสูงสุดของเราทุกขีวิตเลยให้เป็นเรื่องดีด่วนจัหน่อยอย่าเนิ่นช้าเวลามันหลงกับใบไวใบเอาความรู้อย่าช้าทำไมทำไมไม่ต้องว่าไม่ต้องคิดทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงพูดอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่าไปพูดอย่าไปทำไมอยู่วันเสียเวลาขับมารู้จัตัวทันทีเรื่องร้ายเรื่องดี กลับมารู้จึกตัวมันจะเป็นรีบด่วนมันทางนะัปฏิบัติวัตถุยาหรือว่าทางนะทางถึงจุดหมายไปทางไปเช่นเดียวกันไปคนเดียวไปถึงที่เดียวกันทางเช่นเนี่ยให้ตัวเองด่วนตัวเองนะ ไปที่เดียวกันเหมือนกับพระพุทธเจา้าขวกมือจงมาถึงที่ไม่มีน้ำที่ไม่มีน้ำจงละความชั่วความทุกข์ความโกรธความโกความโลภความหลงทั้งหลายซะจงยินดีเฉพาะต่อไปในพานเย็นซะหยุดซะอันเป็นที่สงัดซึ่งจัดยินดีได้โดยยากสัตว์ทั้งหลายมันติดบ่วงติดรด มันติดรสติดชาติความทุกข์ก็ติดเป็นรสชาติข่งความทุกข์บางผู้บางคนจมอยู่ในความทุกข์ความจุกก็ติดกาจกสีขาวมืดสีขาวไม่ใช่มืดสีดำมือสีขาวออกระยะความสุขอย่าไปติดเห็นมันสุขมันทุกข์ก็อย่าไปติดมือสีดำออกมาซะ พออยู่ด้วยความรู้สึกตัวนะนี่แล้วพ่อพ่ดยได้ฟังตอนเช้าไมาค่อยได้มา <c oughs> แล้นี่กำลังเป็นผู้พวกพื้นระวังตัวอยู่ตอนเช้าตีสี่ครึ่งก็ลุกขึ้นมาแจ่งแขนแันข้างแข่งแขนล่าก็มาหายใจเป่าปอดตัวเองยี่สิบรอบเป่าปอดตัวเองแล้วก็ มายรังกมสองันสามพัก้าก็มารถน้ำต้นไม้ก็ไปฉันพอดีพอดีถ้ามาก็ได้มาทาบัดก็ได้แต่ก็มันรีบเกินไปพอมาทาบัดก็รีบกลับไปก็รีบไปแข่งแขนก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยจะหน่อยถ้าถึงมาี่แข่งแขนโอ้ยลองดูก็ได้นะใคร อ, อยากจะแข่งแขนนะ เป็นการบริหารกายของตนที่ทำลายโลกภัยคด้เจ็บได้นะอวันนี้ก็สมควรเจเวลาอาจารย์ดุจิ้าว้ยพระเลิกกัน